พระดำรัสแก้ข้อกล่าวหา8ปดประการ292สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำทรงแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะ เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอากุศลธล ร, รมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แลมีมูลอยู่สีห์ พ่อที่เขากล่าวหาเราว่าสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทำรรแสดงธรรมเพื่อการให้ทำทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะเพราะเราสอนให้ทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตลอดถึงการทํากุศลธรรมต่างๆ ข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทำรรทรงแสดงธรรมเพื่อการให้ทำทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนให้ทําลายแสดงธรรมเพื่อความทําลาย ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะักเพราะเราสอนให้ทำลายราคะโทสะโมหะตลอดถึงให้ทำลายบาปอคุสนธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมสอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อความทำลาย ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แลมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกียจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหหะ เพราะเราช่างรังเกยียดกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตลอดถึงรังเกยียดบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกยียดแสดงธรรมเพื่อความรังเกยียดทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่สีหะ ข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโพดมเป็นคนช่างกาจัดแสดงธรรมเพื่อความกาจัดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะเพราะเราแสดงธรรมเพื่อกาจัดราคะโทสะโมหะและบาปอากุศลธรรมต่าง ข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างกาจัดแสดงธรรมเพื่อความกาจัดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญแสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูนอยู่เป็นอย่างไรสีหะเพราะเรากล่าวถึงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญสีหะเราเรียกคนที่ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรเผาผลาญได้หมดสิน้น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 เป็นคนช่างเผาผลาญแสดงธรรมเพื่อการเผาผลาญทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แลมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อความไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น นั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะเพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด ตถาคตละการอยู่ในคันละการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อความไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้เบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรสีหะเพราะเราเป็นผู้เบาใจด้วยความเบาใจอย่างยิ่งแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น พ่อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้เบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหลมีมูลอยู่293เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้วสีหะเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่า ง, างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควา่าเปิดของที่เปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ะท่านไครครวญก่อนแล้วจึงตัดสินใจเถิดคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านต้องไครครวญให้รอบคอบก่อนจึงเป็นการดีสีหะเสนาบดีกราบถูนว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปลาปลื้มชื่นใจอย่างยิ่งเพราะพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าท่านไครครวญก่อนแล้วจึงตัดสินใจเถิด คนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านต้องไคร่ครวนให้รอบครอบก่อนจึงเป็นการดีความจริงเพราะพวกอัญญาเดรถีได้ฆ่าพระองค์เป็นสาวกแล้วก็เปล่าประกาศไปทั่วกรุงเวสาลีว่าสีหะเสนาบดีเป็นสาวกของพวกเราแต่พระองค์กลับตรัสว่าท่านไครครวนก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจเถิด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 จนตลอดชีวิตเถิด